ส, สติกำหนดรู้ในอิทธิบททั้งสี่ยืเนเอนั่งนอนท่านห้รู้สึกเท่านก็ควรทำให้พอถ้าน เ, เดินสอนให้เรามี ส, สติกำหนดรู้ในอิทธิบทย่อยคู่เยียดเคลื่อนไปถ้าเรากำหนดอย่างนี้อยู่แล้วคนสงบมันไม่จงพูดเถิดที่เราไม่สงบนั่นคือเราไม่รู้ตัวเรา เราก็เป็นนั่งทำสมาธิตับตามันฟื้นธรรมชาติกันตาเป็นหน้าที่ของดูหูเป็นหน้าที่ของฟังจมูกเราหน้าที่มันจะรู้สึกว่าอะไรเหม็อนอะไรหอมเนี่ยไม่ต้องพูดแต่ก็ได้เรื่องเหนกันดังนั้นเราไปฟื้นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่รู้ความสงบที่กินคืออะไรความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นน่ะให้เราเห็น ให้เรารู้ให้เราเข้าใจเราจะไปยุ่งกับสิ่งนั้นเราเพียงมาทำาวนรู้สึกกับตัวเราเมื่อเรารู้สึกกับตัวเราแล้วสิ่งอื่นไม่เป็นปัญหาเอมนมนนี้เราไม่ได้ศึกษาของจริงคือไปเอาของไม่จริงให้มันเป็นของจริงขึ้นมามันก็เลยไม่คงที่ไม่ถาวรไม่มัน่นคงตอนนี้เราจ้องศึกษาหาของจริงมัน มันมีในคนเราเ ล, ลืมใจเราลืมการเคลื่อนไหว ล, ลืมการนึกคิดมันก็เลยไม่รู้ของจินที่จะมาจับขอแนะนำวิธีสั้นๆเราต้องให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้มีเป็นการปฏิบัติธรรมจิตใจมันนึกคิดขึ้นมาก็ต้องให้มันรู้นี่เป็นการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นพรสงอคงเรีนข้ปฏิบัติได้รู้เนืน้อก็ปฏิบัติได้ไม่รู้เนืนอรูปฏิบัติได้เพะจะมาแค่ปัญหาปมสับสนวุ่นวายนั่นเองที่มันสับสนวุ่นวายมาเกิด ค, ความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นใจนั่นเองใจก็ไปยึดอันนั้นไปยึดอันนี้ ว่าอันนั้นมันเป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขเนี่ยเราเข้าใจอันนั้นมันก็เป็นใจเรามันเป็นเพียงมายาของใจใจเราจริงๆเนี่ยทุกคนมันมีใจมันอยู่สบายๆแต่มันสิ่งที่ทําให้สับสนวุนไวายไม่ใช่ใจเราอันนั้นเขาเรียกกิเลสมันเกิดขึ้นมาจากใจเพราะเราไม่เห็นใจเราเองมันจึงหลอกเราคนโบราณเขาพูดเอาไว้ว่าอย่างนี้ จิตใจได้ขอกกลับได้ไหวดุจมีลานไข่ในตนเราท่านควรบังคับก้นให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกีทมที่มีก็จะมีจะหายหายสูญทาเข้าครอบงำวุมระยันสาปูลอดตื้นปอกหลอกตนอำนาจธรรมนี่เราก็ไม่่อยรู้ และทําที่มีจกักรมีจักรนายหายศูนย์ก็ไม่รู้อาาัตมาเขามาทําที่มีจกักรมีจักรน่ายหายศูนความรู้สึกนี้เองเป็นธรรมมันหนี้ไปเมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นคมรู้คนหนีไปเกิดความรู้ขึ้นมาความไม่รู้คนหนีไปมันเหมือนกับเรากำ ม, มือแบบ่มือไม่ดีเหยียดมือกำมือไม่หนีเมื่อเราจึงกับความรู้สึกเสี๋ยวแล้วความไม่รู้มันหายไปเองเหมือนกับ คนที่เข้าไปอยู่ในถ้ำเข้าไปในถ้ำมันมืดจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกไม่สบายบัดนี้เพียงเรารู้จักวิธีจุดไฟเมื่อเราจุดไฟแสงสว่างเกิดขึ้นคมมืดมันหายไปเองยึ่งเราไม่ได้ต้องไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่เราว่ามันจริงจริงเป็นจริงอะ่ะไม่ต้องไปทำอะไรเพียงเรารู้สึกเทนนเอง ความไม่รู้สุดจะหายไต่เองทำความรู้สึดบ่อยๆทำความรู้สุดบ่อยๆความรู้อันนี้จะมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเต็มส่วนไม่อไรมันจะเกิดยาณปัญญาให้รู้จักสภาวะธรรมอันนั้จริงๆธรรมมากที่สุดคือพวกปนนั่นแหละธรรมคือการกระทําการพูดการคิด อาจะมาพูดไม่ได้พูดกับตำรานี่พูดกับความจริงพระไตปิฎกเนี่ยทั้งสามปีด ก, ดกแล้วจะเป็นเดียวถ้มันจบทั้งสามปีดกจะจบไม่ได้ถ้าสูตรตันตะปิดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระเวทไตรปิฎกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ถ้าที่ทาปีดกเดียวสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ ้องตีดุกไม่ไปเข้ากับปีดกเดียวนั้นเป็นแปนหมื่นสี่พันพระละหมันมากมัจิตแปดสิบเก้าเจตสิทธิห้าสิบสองมันมากไปทางนั้นพเพียงแตเราศึกษารัดรัดสั้นสั้นย่อย่อคนเรจะทำอะไรมาจากใจทางนั้นจะพูดอะไรมาจากใจทางนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าจากใจเราเสียแล้วอวมไม่แน่ใจของเราคืออะไรเขาเรียก ว, ว่ากิเลส กิเลสมันมาปรุงให้ดีบ้างชั่วบ้างเขาเรียกว่ากิเลสแต่กลมจริงกิเลสเนีมันจอดมามันไม่ได้มีอยู่ที่ใจเราจริจริ ง, รงอันใจไปจริงๆงนัมันเป็นสภาพมั่นค ง, อ, งอยู่อย่างนั้นนึกว่าเราต้องไปทำสมาธิคำว่าสมาธิก็หมายถึงตั้งใจงในรือเปล่ไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะตั้งใจทําการทํางานพูดคิดเราเห็นจิตเห็นใจของเราหากักข้ามใจเราได้ หักห้ามกิเลสได้จังหวะครับเยวหัก้ามใจเขาว่าหักห้ามใจแต่ว่าความจริงนั้นหักห้ามกิเลสแต่ว่าได้เพราะกิเลสมันจรเข้ามาในขณนะที่เราไม่รู้นั่นแหละกิเลสันเข้ามาปรุงกิเลสพันห้าตัณหาล้อยแสอะไรก็ตามเนี่ยเราเพียงดูใจหราจะไม่ไปเอาตาดูเราเพียงจะให้มีความรู้สึก การเคลื่อนไหวภาย็นนอกครามือเอียดมืออันนี้เราทำได้สิ่งเราทำไม่ได้มันเป็นเองโดยธรรมชาติมันมีอยู่อย่างที่เราเรียนในตำ ร, ร, ราวะาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยมีโลภมักสี่ข้อทุกเจ้ากำหนดรู้สมุทั ย, ทท ย, ททยต้องละมักต้องจเจริญมีโลภทำให้แจ้ง ตาปวดอย่างนั้นแล้วมกักต้องกําหนดรู้กําหนดรู้อะไรที่ตรงไหนไม่รู้อาจารมาแต่กอนก็ไม่รู้แต่ว่ากำหนดรู้รู้อะไรรู้การเคลื่อนไหวการนึกการคิดมันบอกไปยาวควรจริงลนะ้วทุกต้องกําหนดรู้ให้เรารู้การเคลื่อนไหวนี้เองสมุทยัยต้องละละตรงไทยละจัวไหนละมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันคิดขึ้นไปเรากลับปรุงเป็นเรื่องไปรเรื่องของเราเป็นกิเลส รวมจริงพระพุทเจ้าท่านพูดมาท่านน้อยๆสั้นสมุทัยต้องละเรากําหนดการเคลื่อนไหวตัวนี้เส้นมันคิดกับเราปุ๊บเราจับแรงมันวางจากผมคิดมันอ็มาอยู่การเคลื่อนไหวตัวนี้อย่างกำหนดรู้ตัวนี้ตัวนั้นไปทําอะไรมันไม่ได้พอดีมันมารู้ตัวนตัวนั้นมันเต่ามันเองเนาะสมุทัยต้องละมักต้องเจริญทําบ่อยๆทำบ่อยๆต้องเกิดญาณปัญญามันจักเป็นเองรวมเป็นเองมันมีอยู่ในคนทุกคน มักจเนเจริญนี่โลดทาให้แจ้งทําบ่อยๆมันจะรู้สมุตฐานของความคิดเมื่อรู้สมมตฐานของความคิดแล้วเราเคยพูดว่าเป็นอภิสุจลธรรมเรียกว่าโทสะโมหะโลภะมันเป็นรากเหง้าของอภุศลแจ้งทา้งสติสมาธิปัญญานี่มันเป็นรากเหง้าของอุสลมันตรงกันฆ้าอ ย, อย่างนี้เมื่อเรามีสติ ตั้งใจมีสมาธิคือดูเห็นปัญญาก็เกิดขึ้นเรียกว่ายานของปัญญาคํ้ามายานปัญญาไม่ใช่อื่นไกรไม่ได้เหมือนอย่างที่เราไปเรียนกับตำราเนยยานเป็ว่าเข้าไปรู้มันเข้าไปรู้เหตคือเรากำมืออย่างเนี่ยอันที่เข้าไปรู้นะ่ะเรียกว่าปัญญารู้มากเข้ามากเข้าของเรียกว่ายานปัญญาตัวเนี่ยธรรมดามันคำพูด ถ้าเราจับใจความที่ว่าทุกช่องกำหนดรู้ให้เรากำหนดการเคลื่อนไหวกำ ม, มือบ้างทิษตาบ้างหายใจบ้างเราไปจับของสิ่งต่างๆจะจับคนจับอันนั้นอันนี้ให้คนนั้นคนนี้เขาต้องให้รูเนื้อทุกต้อากำหนรู้พอดีมันคิดปุ๊บเราก็มาอยู่กับคนรู้ตัวนี้ความคิดที่มันปรุงไปนั้นก็หายไปเองอันเนี่ยสมุทัยทรงละมักต้องจเจริญ คนมันต้องมีการเคลื่อนไหวเวรื่อดีกว่าในที่จะหมดย่อยเคลื่อนไหวโดยวิธีใดแต่กระจงรู้เมื่อตัวจิตใจมันจะนึกคิดขึ้นมามาื่อกระจงรู้เพราะเราทำเนี่ยทําให้มันรู้เพราะของจริงมันมีอยู่ในคนทุกคนจริงยกเว้นไม่ได้คำว่าธรรมะเนี่ยเราไม่เข้าใจเพราะธรรมคือการกระทําธรรมะคือจิตใจมันนึก มาพูดที่เขาเป็นธรรมะที่พูดออกมาได้กับพอใจใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจธรรมะใจที่มันจะพูดยังไงกับเดวนาธรรัถภาษาบ้านเระหว่าตกายกับใจภาษาธรรมะเดว่าลูกกับนามมันเป็นภาษาคำพูดดังนั้นควรจริงคนทุกคนไม่ต้องการปลดทุกข์แต่เราแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ไม่ได้ แก่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้สมุฐานของความคิดเมื่อเรารู้สมุฐานของความคิดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันเต็มเต็มอยู่อย่างนั้นเพียงแค่เราจะไปยุ่งกับความคิดเท่านั้เองเีื่อเราคิดขึ้นมาเรานอนบางครั้งนะนอนไม่หลับเพราะมันคิดอยากให้มันหยุดคิดอันอยากให้มันหยุดคิดนั้นอยากให้มันไม่หยุดคิดคือเราอยากคิดคือเราต้องคิดไปกับมัน เราก็อยากให้มันหยุดม่นจะหยุดได้ทําไมเพราะพระบุรเจ้าทรรมตอนเด็กทุกต้องกำหนดเราไม่ได้มากําหนดตัวนี้มันก็เลยจะกําหนดตัวนั้นพอได้กําหนดตัวนั้นมันก็เข้าไปในของคิดตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นกิเลสคําว่ากิเลส ไ, ไม่ใช่มีตัวมีตนกิเลสก็คือตัวมันคิดมันปุ่มขึ้นมานั่นเองเมื่อเราเห็นตัวนั้นพอดีมันคิดพกุกเราก็กระดิกมือแบโลซผมรู้สึกมาอยู่กับปลายมือเรานี่ยแล้วปมคิดก็วางไปเลย ทับบ่อยๆเลยถ้าทําอย่างนี้เล็กๆเหมือนไม่ได้ก็เอามือมาตัดอย่างนี้ก็ได้มันก็หายไปเลยผมคิดเลยหรือเราจะทํำยังไงก็ได้เพียงให้มันรู้สึกแล้วแบบผมคิดมันหยุดเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึง่อกตบุตรใครต้องละเราจะเป็นละมันทําไมแต่ให้มันรู้ตัวนี้เมื่อรู้ตัวนี้มันคว่มเป็นเองมันละมันเองมักต้องเจริญนักต้องรู้ต้องรู้นี่โทษทำให้แจ้ง ทับ you know, you know, so so, like ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เลยรู้ความคิดมาเพราะเรื่องนี้ความคิดมาเพราะเรื่องนี้เราคอเห็นคอรู้เรื่องเห็นเรื่อรู้มือนแนวธรรมดาเราเห็นสิ่งนี้เราไม่ต้องการจับไม่จับก็ไม่เป็นไรเราต้องการจับก็จับได้ดังนั้นความคิดนี่เราต้องเห็นต้องรู้คนไม่ได้ศึกษาอย่างนี้แต่ศึกษาอย่างนี้แต่ไม่ได้ศึกษาอย่างนี้ รู้อย่างนี้แต่ไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างไม่รู้รู้แต่มันไม่รู้รู้อย่างผู้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทัานสอนเน่ะรู้อย่างผู้รู้รู้แล้วสิ่งนั้นมันไม่ต้องไปยุ่งมันเป็นเองมันนั่นท่านเรียก ว, ว่าให้ทำให้ทำทุกคนทําได้เด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ยยไดคนทราบใดภาษาใดถือสาสนาไหนก็ทําได้ เพราะคนมันมีกายกับใจ ห, หรือมีรูป ก, กับนาไม่ใช่วคนถือศาสนานั้นแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้คนถือศาสนานี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่บวชเป็นภาพเป็นเนยียนจะเลิญไม่ได้อันนั้นถูกน้อยไม่ถูกมากการรักษาศีลคนมีจุดเดียวเท่านี้การให้ทานคนมีจุดเดียวเท่านี้การทำสมถานมีความสงบกมมามะจุดนี้ จะเดินนิพพานาเพื่อให้เห็นแจ้งรู้จริงกันมาจุดนี้เมื่อมาจุดนี้นะเรากมดเสร็จงานทั้งหมดเลยดังนั้นเราควรมุกจริงๆแล้วทุกข์ควรไม่ทรามันเกิดขึ้นเพราะเราลืมตัวเท่านั้นเองครับมันลืมตัวนีไ่ไม่ใลืมโดยไม่คิดถึงไม่ใช่อย่างนั้นลืมตัวในขณะทําพูดคิดเราเคยได้ยินได้ฟังกันว่ามาก่อสมุทรสิลิผมละอายแก่ใจโอตบะโกนเกณฑ์ตัวต่อบาป เราไม่ละอายเกลียดใจเราบางคนคิดอิจฉาเบียบเบียนคนนั้นคนนี้เกลม่ละอายเกใจเขาไม่เป็นกลัวต่อคนนั้นคนนี้เขาไม่ละอายดังนั้นคนนั้นจะถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เดกเป็นได้เป็นคนเป็นได้หน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นได้คนไม่มีคมละอายเลยท่าว่าคาย ค, ายคายขึ้นตัดิระวัตาสตร์ษษตรัป็นวักิศาสตเนี่ยทาอะไรมทําไปดูนีาอ่ที่เดียวครับ มันจะอุจจาระกับภาวาที่ไหนมันก็ทําไปได้มันไม่ละอายคนเรามันจะทําอย่างนั้นมันไม่ได้มันต้องมีความละอายทียนี้ความละอายแก่ใจคนเราเป็นละอายจะ้ักขั้วคนันเองไม่ละอายแก้ใจเราเมื่อเราเห็นใจเรามันนึกมันคิดแล้วก็เห็นหักห้ามมันได้เมื่อหักห้ามบ่อยเข้าบ่อยเข้าข้อมเคยสิ่งเกิดขึ้นมาเหมือนกับตกคุณ เรียนหนังสือขอนจะได้มนาะเป็นพนยาบาลเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลเจริญกรุงปัสสาวนะเนี่เนี่ยไม่ใช่เดือนตีเดียวนะตั้งหลายปีนะั้นยังยังยังมีความรู้มาไดนะ้บันนี้เราจะมาทําเพียงวันเดียวให้มันตานานมาก็สํานานไม่ได้ต้องทําบ่อยเราไปดูคนเจ็บคนไข้แล้วก็มือเราก็ไปจับเตะเจ้ากับคนไข้ได้ พูดกับคนไข้ได้มันคิดเราเขารู้ทัน เ, เห็นเราคนนี้ทําไม่ดีเขาทําดีแต่ใจใจพูดมันไม่ดีเราก็ต้องดูใจเราใจเราคิดยังไงปุ๊บเราเห็นเอ๊มันคิดไม่ดีแต่เอากลับเดลสายแล้วนี่ไม่ใช่คนเนี่ยใจมันเต้นไม่ใช่จบคนเต้นอย่าว่าจับมนุษย์จับเดลสายท่านบอกเนี่ยมนุษย์นี่ก็ติดจับได้เลยไม่ใช่แทงหาหน้าตามือเท้าเป็นจับ ใจมันเป็มมนุษย์เนี่ยสามารถเป็นเทวดาก็ได้มนุษย์เนี่ยสามารถเป็นพระยบุคคลก็ได้พวกเรานั่งอยู่ที่นี่บางคนอาจจะทำได้ให้จิตใจเป็นพระยบุคคลก็ได้ไม่ต้งยากวิธีที่อาจามาพูดนี้เรานี้จากความเป็นปุถุชนเข้ามาสู่ความเป็นพระยบุคคลก็ใช้ได้ปุถุชนือพู้หนาผู้เล่ง พูดอะไรไปดูเรื่องเขาเรียกวู่้ทุสน์ผู้ทุศน์นี่พูดทำมาเรื่องคิตเรื่องใจไม่รู้เขารู้จะเรื่องให้ทานหรือรักษาศีลเขามาให้ทานแล้วก็มันมีสองอย่างอย่าทานอย่างสูงสุดไม่ใช่เสี่ยงพ้องกับวัตถุทานแต่ว่าให้อภัยแก่เขาเขาไม่รู้เขาจริงทําเขาไม่รู้เขาจริงพูดเขาไม่รู้เขาจริงคิดจ้องให้อภัยเขาบ้างอันนี้ว่าทานอย่างสูงสุด อย่างที่พวกหนูพวกคุณเนี่ยอยากเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเอายาให้เขาก็ิบัตินการับอานนั้นเป็นทานวัตถุใครใคก็ทําได้อันนั้ น, นแต่เรื่องจิตใจที่มันทําไม่ค่อยเข้าใจเพียงให้เราเข้าใจว่าคำวมาทานเนี่ยอยากให้ทานก็มีจุดหมายรักษาสิ้นก็ไม่สิ้นก็แปลว่าป ก, กติถ้าเรายไม่เป็นป ก, กติจะมีศิ้นทาไม สนินนั้นมาเป็นศินสมมุติอย่างสินห้าตานาอาทนาการเมโมซัดเป็นสินสมมุติสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดจะรักษาเช่งคัดขนาดไหนพออย่างไม่เป็นปกติเมื่อไม่เป็นปกติแล้วเราคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วจะจะถือว่ามีสินไหมมีมีโดยสมมุติคาว่าศินหมายถึงปกติคือกายแล้วก็ปกติใจล้วก็เป็นปกติ ทายเป็ปกติเราจะไปจับอะไรต้องรู้สึกตัวก็ปกติจึงรู้รสิคนไม่มีปกติจะรู้ทาไมใจมันนึกมันคิดมันนีใ้ใจใจเราม่นเป็นปกติเราจะรู้มันได้ไหมตัวไม่ได้มันก็ทําไปตามสัรมชาติายาของสัตว์เท่านั้นเองนี่ท่านสอนเนี่ยไม่แช่แต่มาจะมาพูดอะไรนะพูดให้ฟังเพียงว่าต้องการอยากฟังสมาธิคําว่าสมาธิหมายถึงตั้งใจไม่ต้องไปทําอะไรให้มาก ที่เราไปทำให้หนักมากนั่นหรงแต่ว่าเราไปทำกับคนผู้ที่รู้อย่างนั้นมาสอนนิวาสศาสนาเขารู้อย่างนั้นก็ต้องสอนอย่างนั้นควรยิงพุทธศาสนธธาเนี่ยพุทธเปวผู้รู้พระเปวผู้สอนคนสอนให้เขารู้ของจริงสอนโดยไม่ผิดพาดเดี๋ยวพระเปรี้ยวผูส้สอนคนโยมสอนกันก็นได้เป็นพระได้เหมือนกันถ้าไปสอนโยมกันได้โยมสอนพระกันได้พระอย่างที่หลวงพ่อนี่ เป็นสมมุติเขาเรียกสมมุติติสงควรั่งประศึกไปตึกแล้วก็บวชเข้ามาอันนี้ว่าสมมุติติสง อ, อ, อย่าไปทําลายสมมุติเอาเพียงให้คนเห็นเอาไว้บางคนไม่เห็นพระเจ้าพระสงฆ์สักผีเกิดพระชือกตายเจ้าดีให้เขาเห็นเพียงรูปแบบอันนี้ก็ยังดีแต่เราจะมาติดเสียแค่นี้เราต้องลึกซึ้งกว่านี้ไปถึงจะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ตัวพุทธศาสนาทุกคนเป็นได้ คำว่าพระเปรียผู้รู้เนี่ยรู้ได้จริงๆอาจจะมากมินโคดเมื่อกี้นี่วะพวกหนูพวกคุณ เ, เรียนหนังสืออย่างน้อยต้องสี่ 5, ปีห้าปีที่จะเขียนหนังสือถูกต้องบัด น, นี้เป็นเรียนพยาบาลเรียนหมอต้องหลายปีเข้ามาจเดียวจึงจะรู้โลกของคนเป็นอย่างยำานักนี้ปีนี้บัด น, นี้เราไปทําสิ่งที่ไม่ไม่อย่างนี้มันจะไปรักษาอย่างนี้ได้ไหม